ศีลแปละหรือศีลสิบก็มีจุดหมายทำนองเดียวกันก็คือเพื่อต้านไม่มีความอยากจะหาความสุขทางกามนะก็มีเรื่องการกินข้าวมื้อเดียวการไม่ไปประดับประดาด้วยเครื่องหอมหรือว่าดูฟังสิ่งบันเทาเ ร, อ ง, เรองรมหรือการฟ้อนรำทั้งหมดนี้ก็เป็นการต้านกิเลส จากทานแล้วมาศีลจากศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาเนี่ยนะมันก็มีสองส่วนเรียกว่าสมถภาวนากับวิปัสนาภาวน า, า, วนาหรือว่าสมถกรรมฐานหรือว่าวิปวาาัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนี่ก็ยังเป็นการต้านกิเลสอยู่นะแต่เป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนลงไป <c oughs> เช่นเมื่อมีอโทสะเมื่อมีโทสะก็เอาเมตตาเนี่ย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 ตั้งแต่มาหลอกให้กลัวเช่นมาปลอมเป็นพยานนาคเป็นเสือเป็นแผ่นดินไหวเพื่อให้นักปฏิบัติกลัวเลิกปฏิบัติหรือว่าจะมาล่อลอกให้เขวออกอุบายให้เขวเช่นขณะที่พระเจ้ายัางบำเพ็ญบำเพ็ญธรรมอยู่เลิกละทุก ก, รกิริยาแล้วมารก็ยังมาชวนให้เจ้าชาสิท ธ, ธัตถะหรือว่านักบวชสิทธัตถะเนี่ยเข้าหาทุกล ก, กิริยา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 เจ้าอย่ารู้นะว่าเราไม่รู้จักเจ้าแค่นี้แหละมารพอรว่วพระโมกราณนะรู้ทันนี่มันเสียใจเลยนะเสียใจพระโมกขาณนะรู้จักเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี่คือเพียงแค่รู้ทันหรือเพียงแค่รู้ว่าคือมารนะมานี่ก็ลาถอยเสียใจว่าพระตถาคตรู้จักเราแล้วแค่นี้แหละดังั้นการรู้การเห็นเฉยเฉยนี่มันมีพลัง